ให้มีสติควบคุมใจไว้จะใช้พุทธโธก็บริกรรมพุทธโธไปจะใช้การสวดมนต์ก็สวดไปอิติปิโสอรหังสมมาสว่างาโตไปหรือจะนับหนึ่งสองสามไปก็นับไปหรือจะพิจารณาอาการสาสบสองก็พิจารณาไป เอนพิจน า, าดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็พิจน า, าท่องไปก็ได้จะเพ่งดูอาการใดาอาการหนึ่งก็ได้เช่นเพ่งดูกระดูกเช่นโครงกระดูกของเราหรือของผู้อื่นก็นึกถึงภาพของโครงกระดูกแล้วก็พยายามรักษาภาพนั้นไว้อยู่ในใจ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 หรือไม่เช่นนั้นก็ใช้สติควบคุมใจอย่าปล่อยให้คิดอย่าปล่อยให้เกิดความอยากขึ้นมาจนออกจากสมาธิมาถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ให้ท่องพุทโธพุทโธต่อไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วความอยากจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อไม่เกิดความอยากความสงบก็ยังจะอยู่กับเราต่อไปความสุขก็จะอยู่กับเราต่อไป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 ทำความสงบเป็นที่พึ่งของเราเพื่อเราจะได้ละเพื่อเราจะได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องเสื่อมที่จะต้องหมดไปอย่าไปหวังพึ่งสิ่งอันใดในโลกนี้ขอให้พึ่งในความสงบเพียง อ, อย่างเดียวแล้วเราจะปลอดภยัยเราจะไม่มีทุกมาเหยียบย่าทาลายจิตใจของเราใจของเราจะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตุทินนางเปตานางอุปก ป, กปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตุ สัพเทปุรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยัทามณิโชติระโสยัาสัพพติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาศตูมาเตภวทวันตราโยสุขีธีคายุโกคะวั อาภิวาทานาสีลิตสหิจังวุธาปจายโนจตารอธมาวาทานติอายุวโนโสุขังภาลางข้างนอกถ้าอยากจะนั่งมีพ้ายางช่วยพายางออกไปให้ข้างนอกข้า พายางถ้าเสือเออเอ า, เอาพายางห้องล่างกี่ตัว เ, เดี๋ยวเสือมันเปียกพลาสติกเครับเดี๋ยวอ่ะส่งไปอตอนนี้เดี๋ยวจะมีถามปัญหาธรรมะกันนั่งได้จะดีกว่ายืนเพราะปกติเวลาคนยืนนี่พานั่งพูดไม่ได้แสดง อ น, นุอยากจะถามปัญหานนถามได้เลยเปิดไมค์แล้วก็ถามคับกับเรียนพระอาจารย์ค่ะคือว่ า, าถ้าเกิดว่าเราไปเห็นความคิดของจิต ว, ว่าจิตเนี่ยเกิดความคิดขึ้นมาละเห็นแล้วละจะเห็นว่าเ้ยมันวิ่งไปนี่วิ่งไปนี่วิ่งไปนี่แล้ว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 พุโทโธมีกําลังมากแค่เห็นอ๋อต้องก็คือต้องมีกําลังสมาธิด้วยกำลังสติมีสมาธิ <c oughs> พอรู้ว่าจิตอยกคิดเปล่าเขาสั่งให้มันหยุดคิดได้ <c oughs> จะหยุดคิดได้ก็ต้องมีพุโทโธคือต้องสงบต้องฝึกพุโทโธไปเรื่อยๆจนจิตมันนิ่งสงบแล้วเทนี้สงบแล้วเทนี้เวลามันจะคิดเราก็บอกให้มันสงบได้ มีคำถามคำเดียวเลย ต, ตอนนี้คิดไม่ออกอไม่เป็นไร <c oughs> เอาวางไว้เฉยๆตั้งไว้หนี้ได้ตั้งไ้ตรงตตข้างล่างก็ได้ใครในที่นี้อยากจะถามอะไรัหมชอบถามตอนที่ปิดไปตอนเปิดไมไม่ยอมถามเหย พอปิดไม้ปั๊บมากันเลยถามนูน่นถามนี่กันใหญ่บอกกรยาบเท้ า, าแล้วครับขาประจามาแล้วเดี๋ยวช่วยส่งไม่ให้หมอหน่อยอคือว่าเวลาที่เราก่อนจะนอนหรือว่าปกติเราจะนั่งสมาธิทีนี้ตอนที่ก่อนบางครั้งก่อนที่เราจะหลับหรือกำลังจะตื่นเนี่ยเราจะเห็นสองคน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 เธอก็อยู่ห่างไกลกับเราเป็นโยอในทางตนกันข้ามแม้เธอจะอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยอดแต่เธอนำเอาคําสอนของเราไปปฏิบัติเธอก็อยู่ใกล้เรานี่คือการที่อยู่ใกล้การติดครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องต้องติดด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของท่านไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของท่านเราจะอยู่ใกล้ท่านตลอดเวลา ถ้าเราอยู่ใกล้ท่านแต่เราไม่ปฏิบัติเรามัมแต่คอยเกาะชายจีวรโมแต่คอยนั่งดูหน้าท่านฟังเสียงท่าน เ, าเวลาไม่ได้เห็นหน้าท่านเห็นเสียงท่านก็หงุดหงิดลำคาญใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นการติดครูบาจารย์แบบไม่ถูกทางติดแบบกิเลสติดแบบถูกทางต้องติดที่คำสอนต้องระลึกถึงพระธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ว่าเวลาใด ถ้าเราเราลึกถึงคาสอนเราก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นพระธรรมคาสอนเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมการที่จะเห็นธรรมได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วก็จะปรากฏธรรมขึ้นมาภายในใจนี่คือวิธีติดครูบาอาจารย์ติดอ่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 เรียนถามท่านพระอาจารย์เมตตาอธิบายคําว่าวสีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการภาวนาต้องขออภัยด้วยอ น, นี้ต้องไปถามอาจารย์กูเกิลง่ายกว่าและได้ความรู้ที่ชัดเจนกว่าเพราะเราไม่ก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับความภาษาบาลีเท่าไหร่คาถามต่อไปจากท่านเดียวกันนะครับ <c oughs> มีคนฝากกลับเรียนถามว่าหากสัตว์จําพวกสุนัขแมว หรือสัตว์ใหญ่อื่นๆที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเมื่อเขาตายจากโลกนี้เขาจะมีโอกาสปรับพบภพภูมิใหม่ครั บ, รบเพราะขนาดที่เขาเป็นสัตว์อยู่เขาก็ไม่ได้ทาบุญและไม่ได้ปฏิบัติภาวน า, า, วนาเช่นมนุษย์ทั้งยังทาบาปเช่นการกินสัตว์ด้วยกันเองขอคำวิสัชนาเพื่อสดับไวเป็นประโยชน์แก่ปัญญาคือก่อนที่เขาจะมาเป็นสัตว์นี้เขาก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อน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 ได้บุญที่มีกำลังมากกว่าบาปที่ฆ่าคนถึง999คนเวลาตายไปบาปก็ไม่สามารถดึงใจขององคุลิมานให้ไปเกิดในอบายได้นี่คือเรื่องของบุญของบาปมันลึกรับซับซ้อนมันถึงท่านพู้เจ้าถึงบอกว่ามันเป็นเหมือนมันมันอจินไตยมันเหนือความรู้สึกนึกคิดของเราโลกเรานี่คิดไม่ได้หรอกต้องเป็น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 พอเข้าสู่ขั้นพระโสดาบันแล้วนี่จะไม่เสื่อมจะมีแต่เจริญขึ้นไปเรื่อยๆจากโสดาบันก็จะขึ้นไปสู่ขั้นที่สองสกิราาคามีจากขั้นที่สองก็จะขึ้นสู่ขั้นที่สามานาคามีจากอนาคามมก็จะขึ้นสู่ขั้นที่สคือขั้นพระอรหันต์ขั้นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนั้นบุญมีสองระดับบุญระดับที่เหนือโลก คือโ ล, โลกุตตรละคือเป็นบุญที่ไม่เสื่อมบุญที่เสื่อมก็คือบุญระดับโลกียะเช่นเราทําทานรักษาศีลนั่งสมาธินี่เป็นบุญที่เสื่อมได้แต่ถ้าเราจเจริญปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่อันนี้จะไม่เสื่อมเห็นปัญญานี้จะรักษาจิตไม่ให้ตกต่าจะไม่จะป้องกันไม่ให้ไปเกิดไนยบายผู้ใดเห็นอริยสัจสี่เห็นธรรม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 สมัยที่เขาอยู่ในโลกนี้เขาไม่สนใจกับการทําบุญพอเวลาตายไปเขาไม่มีบุญติดตัวไปเขาเลยต้องเป็นขอทานบุญต้องมาคอยรอรับส่วนบุญถ้าเขาทาบุญเขาก็ไปสบายไปใช้บุญของเขาไปเป็นเทวดาไปเที่ยวในโลกทิพย์ได้แต่ถ้าเขาไม่มีบุญเขาก็ต้องไปขอทานขอทานบุญก็คือเปลนี่เองไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเจ้ากรรมนายเวร การอุทิศบุญนี่อุทิศให้กับเปรตเท่านั้นส่วนเจ้ากรรมนายเวรนี้ต้องใช้ขันติความอดทนเวลาเจอเขาแล้วเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราแล้วฆ่าฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วบางคนจะอยากจะตายยังต้องไปซื้อยาพิษมากินเรานี่ไม่ต้องเสียเงินตายอย่างตายฟรี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 อย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาโกรธเกลียดเรามีไหมหมดแล้วเหรอพะาจารย์ครับการแสดงทาไปไประเทศสิงคโปร์เป็นไงบ้างครับพอาจารย์อ๋อเป็นการทดลองก็ทดลองเครื่องก็ดีอยู่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีสะ ด, ดุดไม่มีอะไร เ, เขายังต้องปรับเครื่องของเขาอยู่เพราะเขาจะต้องมีเครื่องขยายเสียงต้องมีจอขยายเพราะว่าจะมีคนมาฟังประมาณ 3-40 ี่สิคนก็บอก ที่นั่นก็จะเป็นวัดชื่อวัดป่าเลยๆแล้วจะมีญาติโยมมาไหว้พระสวหมนนั่งสมาธิกันแต่เขาไม่มีพระสอนก็เลยมีคนแนะนำว่าลองใช้การติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตดูก็ทดลองดูก็ใช้ได้เขาก็นัดว่าจะจะฟังเทศฟังธรรมกันเดือนหน้าต้นเดือนหน้า สมัยนี e forward, <ım. S 1> ้ก็สบายไม่ต้องเดินทางเหมือนพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมกับพวกเทวดาก็ใช้ส่งกระแสจิตไปตัวร่างกายพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นไปบนสวรรค์แต่ใจของพุทธเจ้าไปสวรรค์ใจพุทธเจ้าแต่ร่างกายนี้ไปไม่ได้อยู่คนละอยู่คนละโลกกันอยู่คนละมิติกันแต่ใจนี่สามารถไปได้ทั้งตายภพ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 ดากันว่ากันผ่านจอมีอะไรเหลอมีอาจารย์ก็เทพภาษาอังกฤษใช่มั้ยคระอ่าเขาฟังภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาไทยไม่ได้อาจารย์ขอเรียนถามอีกข้อหนึ่งค่ะอย่างอัตตาปุริสปุขลาก่ะค่ะอย่างโสดาปฏิมักเนี่ย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 มันคือว่าคงจะไม่ลงแล้วล่ะเพราะว่าจะไม่ไปทำบาปพิจารณาเพื่อปล่อยวางร่างกายเช่นสมมติจะมีใครมาฆ่านี่แทนที่จะไปฆ่าเขาก็ปล่อยเอาขาฆ่าเลยดังนั้นพอเข้าสู่โสดาบปฏิมากรแล้วแสดงว่าพร้อมตายแล้วตแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ไปเข้าห้องสอบเท่านั้นเองกำลังเตรียมตัวสอบอยู่พอเตรียมตัวสอบพอจะเจอข้อสอบปั๊บก็ทาได้เลย พอใครจะมาฆ่าก็ปล่อยเขาฆ่าได้เลยถ้ายังไม่อยู่ในโสดาปติมัคยังยังคิดรักตัวกลัวตายอยู่พอครจะมาฆ่าก็ฆ่าเขาก่อนอย่างนั้นไปได้แสดงว่ายังไม่ได้เข้าโสดาปติมมัคยังไม่ได้พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตาย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 เป็นผู้ที่เริ่มเข้าสู่กระแสแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้เข้าสู่เต็มขั้นเท่านั้นเองกำลังเข้าสู่เดินเข้าสู่ประตูกำลังไปสอบแ่ยังพอสอบผ่านปั๊บก็ผ่านเป็นขั้นหนึ่งถ้ายังไม่ผ่านก็ไม่ไปทำอย่างอื่นก็พยายามทำข้อสอบทำการบ้านอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะผ่านจะไม่ทำอย่างอื่นละผู้ที่เข้าสู่สวดาปฏิมาคนี้จะเจริญปัญญาอย่างเดียว สลับกับการนั่งสมาธิ เ, าเรื่องที่จะไปทํำบาปเรื่องไปทําอะไรนี่จะไม่ไม่สนใจแล้วมีมไหมเออเอาไมค์ก่อนเอาไมค์ก่อนแล้วท่านยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเจ้าคะร่างกายก็เหมือนกันร่างกายของปุตุชนร่างกายของ พ, พาระาอารหันต์ก็ยังเจ็บเหมือนกันแต่ใจไม่เจ็บ ใจไม่กลัวเช่นหมอบอกฉีดยาก็เฉยๆถ้าปู้ทุชนนี่พอหมอบอกฉีดยาก็เจ็บขึ้นมาที่ใจก่อนละ่ะต่างกันตรงนั้นใจไม่กลัวความเจ็บเอาแล้วนะมีไหมมีเหรออ้ <c oughs> วาว อ, อนุญาตถามเป็นเออที่ท่านพูดถึงพมาณดาที่ที่ท่านขึ้นไปโปรดที่เออ เดาว่าดึงทีนี้ถ้าบางรูปที่อยู่ชั้นสุทาว่าเหระคะท่านติดโปรดหรือว่าท่านต้องออพิจารณาตัวเองอะคะ ท, ที่บางรูปที่อยู่สุทาว่านะคะพรมะคะอันนี้เราก็ไม่ไม่ไม่ทราบรายละเอียดทราบว่าบางชั้นนี้เขาจะไม่ไม่ไม่ไม่ติดต่อเขากําลังเพลิดเพลินกับการดูหนังฟังเพลงอยู่เขากำลต้องเลื่อนลงมาอีกชั้นหนึง่เงเลืนต้องออกมาจากโรงหนังก่อนถึงจะมาฟังเทศฟังธรรมได้มื่อ อยู่ชั้นสุทาว่าก็ต้องเลื่อนลงมาสู่ดาวดึงใช่ไหมถึงจะติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้ถ้าเปรียบเทียบคนที่อยู่สุทาว่าก็กําลังอยู่กําลังอยู่ในโรงละครกําลังดูหนังฟังเพลงอยู่ถ้าอยากจะฟังเท่ก็ต้องออกจากโรงละครมาเข้าใจว่าแต่ท่านท่านอยู่อะไรต้องคือถ้าไม่มีแดนเกิดไงคะเข้าใจว่าท่านขึ้นไปโปรดได้อะไรอย่างนี้ยก็โปรดด้วยทางกระแสจิตไงติดต่อกันทางสาแก่กระแสจิตอ แต่ต้องติดต่อในช่วงที่ไม่ได้ไปดูหนังดูละครเนี่ยหลังออกจากโรงละครมาอยู่สุดท้าวันมันกําลังไปไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อยู่อ๋อแล้เข้าใจว่าตรงนั้นก็คือท่านต้องต้องอสมาธิอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจอย่างนั้นคือไม่เข้าใจเองไม่ต้องไปเข้าใจแล้วไม่ไม่สำคัญเรื่องอะไรไม่รู้ก็อย่าไปสนใจมันไม่ได้มาทําให้เราฉลาดขึ้นเนื้อโง่ลงไป คําสารสุดท้ายถึงพ <laughs> มชั้นสุดทาว่าค่ะก็คือจากไอพุทธประวัติะคะ่ะเขาบอกว่าก่อนที่พระพุทธองค์จะลงม า, าประสูหนึ่งแสนปีผมชั้นสุดทาว่าซึ่งเป็นพมอนณาคาเพื่อนพระพุทธองค์ทรงมาแจ้งบนโลกก่อน <c oughs> ทีนี้เนี่ยพมเป็นพระอาณาคา <c oughs> ไม่มีรูปแล้วอะคะ่ะพระอาจารย์